ความอร ե ศอร่อยของสุราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพิษภัยทุกโทษที่เกิดจากสุราคืออะไรแล้ววิธีเลิกสุราเลิกอย่างไรเลิกได้อย่างไรหรือไม่ก็อบุรีเอาบุรีเนี่ยนะความอร ե ศอร่อยความเพลิดเพลินของบุรีเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วพิษภัยทุกโทษของบุรีคืออะไรและสลัดออกจากบุรีหรือเลิกบุรีได้ อย่างไรหรือไม่ก็ยาเสพติดทุกชนิดอัน น, นัเช่นยาบ้าเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินความน่าชื่นใจของยาบ้าแล้วพิษภัยทุกโทษทุกอย่างที่เกิดจากยาบ้าคืออะไรเลิกได้อย่างไรอันนั้นอันี้เรียกว่าอาศาทอาทินวะและนิสรณะนั่นเองแต่ น, นี้ใช้กับกามกามมาคุณห้าประการคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าคุณน่าประโยชน์นะน น, นคุณนะคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยชน์ในหน้า หน้าหนึ่งร้อยี่สิบแปดย่อหน้าที่บอกว่าบทว่ากามะคุณาการมคุณาก็คือกามคุณนะนะการมคุณาคุณาตัวนั้นมาจากคําว่าคุณทับศัพท์ว่าคุณชื่อว่าการเพราะอัตถว่าแยกศัพท์เป็นคําว่ากามะบวกคุณนะการบวกคุณคุณนี่ไม่ได้แปลว่าคุณท่านเธอเขามันนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นการแปลว่าโดยศัพท์มีความหมายว่าบุคคลพึงยินดี ตัวที่ทำให้คนยินดีตัวนั้นแหละเรียกว่ากามเป็นชื่อของโลภะหรือเป็นสิ่งของที่น่าปรารถนาตัวความตัวความปรารถนาตัวที่ยินดีกับสิ่งที่ถูกยินดีอย่างหนึ่งคุณะตัวนั้นแปลว่าเครื่องผูกคุณะตัวนั้นเนี่ยเพราะอถ า, าว่าเป็นเครื่องผูกพันนในพระไตรไปิฎกจริงๆแล้วคุณะสั์คุณคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าคุณะประโยชน์ไปหมดนะ นพระไตรปิฎกบางทีคุณะตัวนั้นหรือคุณแปลว่าฉันก็มีแปลว่าที่อยู่ก็มีแปลว่าอนิสง์หรือกําไรก็มีแปลว่าเครื่องผูกก็มียกมาสี่ตัวอย่างให้ดูว่าในพระไตรปิฎคุณคุณตัวนี้เนี่ยคุณะคุณะเนี่ยนะไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยคุณนี่แปลว่าไม่ใช่ผมใช่ไหมเอาคุณก็แปลว่าไม่ใช่ฉันก็แปลว่าคุณน่ะอันนี้ไม่อันนี้คุณภาษาไทยนะถ้าคุณภาษาบาลีในพระไตรปิฎกหนึ่งแปลว่า ชั้นเช่นภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังคาติสองชั้นแต่ในบาลีจริงๆเขามีคูณน้ศัพท์ตัวนั้นด้วยหรือบางทีแปลว่าคุณนี่แปลว่าที่อยู่ก็ได้อขอไมาแปลว่าอยู่ก็ได้เช่นการย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นชั้นก็คือชั้นตัวนี้แปลว่าอยู่ชั้นแห่งวัยแล ะ, ะย่อมละไปตามลำดับแปลว่าความเสื่อมเป็นไปโดยลำดับบางทีคู่หน้ตัวนั้นแปลว่า แปลว่าอา น, นิสง์เช่นทักสินาการให้ทานเนี่ยนะอันมีคุณตั้งร้อยอันบุคคลหวังได้เช่นให้ทานในสัตว์เดรัชานอา น, นิสง์เท่าไหร่ได้คุณเท่าไหร่คุณตั้งร้อยก็คือได้รับอา น, นิสงร้อยหนึ่งหมายว่าให้ทานกับเดรัชานได้อา น, นิสงร้อยชาติเนี่ยนะอันนี้แหละแค่เรียกว่าคุณะตัวนั้นแต่เว่าคุณะประโยชน์หรือกําไรอา น, นิสง์อ่ะนะหรือบางทีเนี่ยคุณะแปลว่าเครื่องผูกเช่น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 แต่ตัวที่มันรัดเกาะทําให้ลําไส้ไม่เคยืนไม่ gefallen, งั้นนี่มันจะบิดเบี้ยวยุ่งวุ่นวายไปหมดถ้าเกิดมันรัดกันเองเนี่ยตัวที่ไปรัดไม่ให้ลําไส้เนี่ยมันไปรัดกันเองเนี่ยอะไรตัวนั้นแหละเรียกว่าอันตะคู่นังอ่านะกามคุณตัวนั้นก็เหมือนกันคู่นะตัวนั้นแปลว่าเครื่องผูกเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยเครื่องรัดดูก่อนพิสูจทั้งหลายในข้อหนึต่อเ น, นี่ยนะบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายการมคุณเครื่องรัด คือสิ่งที่น่าเพลิดเพลินนี้มีอยู่ห้าประการแปลโดยศับนะเครื่องรัดที่น่าเพลิดเพลินคุณอากามตัวนั้นแปลว่าหน้าเพลิดเพลินคุณะแปลว่ารัดแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งบอกว่าสิ่งที่รัดโดยความน่าเพลิดเพลินมีอยู่หประการ น, นั้ะเลยทับศัพท์บอกกามมาคุณห้าและกันง่ายดีกามาคุณห้ามีห้าประการหประการเป็นฉไนคือรูปที่รู้แจ้งด้วยจกักษุอิฐากันตามนาปาปิยะรูปตา กาโมประสันฮิตาหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดอันนี้หมายถึงอะไรนะสิ่งคูณะที่แปลว่าเครื่องร้อยรัดเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินคือรูปรูปนั้นจะต้องอะไรหน้าปรารถนาอ น, นี้หมายถึงปยรูปสาตรรูปนะ หน้าปราถนาหน้าใครหน้าพอใจแล้วก็รูปเองก็เป็นรูปที่น่ารักจริงๆนะซึ่งใครมองว่าบอกว่าน่ารักแหละและผู้ใดที่เห็นก็ต้องมีฉันทราคะและเพราะรูปนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตอันหน้าปราถนาน้าใครหน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัด กลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยขานะอันหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาแค่ว่ารู้ด้วยชิวหาวิญญาณเนี่ยนะอันหน้าอันหน้าปราถนาหน้าใคร่ห น, น้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธิภพที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคำพูดตัวนี้หมายถึงรูปดีๆเสียงเพราะๆกลิ่นที่น่าพอใจรสที่อร่อยในความเชื่อของผู้นั้นนะและโพธิภพที่น่าปรารถนางนั้นกามคุณหเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพอนะก็คือมหาพูทธรูปะนะ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 เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรับรู้รสเนี่ยชาบทานรูปไหลไปด้วยตัณหาและเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแปลว่าย้อมเลยนะย้อมเข้ามาถึงใจเลยนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยย้อมใจเลยทําให้ใจลุ่มหลงด้วยอำนาจราคะแปลภาษาไทยอีกครั้งบอกว่าเมาเลยแบานั้นเถอะเห็นปั๊บเมาเลยได้ยินแล้วก็เมาเลยเป็นต้นชอบมากอันนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมคุณหประการเหล่านี้อัสาธะของกรรมมีอยู่ว่า ความสุขที่อาศัยกามคุณหนี้เรียกว่าอสสาธะของกรรมหรือความอสสาธะความยินดีที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นนะหนึ่งได้รับความสุขสองโสมนัสความดีใจความสุขทางร่างร่างกายความสุขทางร่างกายและจิตใจความสุขเหล่านั้นที่เกิดจากการบริโภคกามมคุณหการตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีกามคุณหนี้เป็นอสสาธะของกรรม คือมันมันจะดีเนี่ยนะในเรื่องของรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธพภะดีตรงที่วันหนึ่งขณะที่หวังนี่ก็สบายใจแล้วใช่ไหมหวังว่าจะได้นี่แม้ยิ้มนิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็เสียใจมันจะได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เสร็จแล้วก็หวังก่อนว่าอันดับแรกมีความสุขในการหวังก่อนแนหะคิดว่าจะได้สองมีความสุขในการได้ใช้สอยและบริโภคสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้คือความสุขบ้างความดีใจบ้างที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่า กามคุณแต่จริงๆแล้วพงค์บอกว่าอัาทะเนี่ยนะไอความสุขและโสมนัสที่มาจากกามเนี่ยน้อยมากน้อยเหมือนอะไรเหมือนความฝันอนนรูปสวยๆเสียงเพราะๆที่เราได้รับความสุขเนี่ยนะน้อยเหมือนกับความฝันถามว่าในโลกเกิดมาเนี่ยใครฝันดีตลอดไม่เคยฝันร้ายมีไหมชีวิตจริงๆแล้วมันอยู่ในโลกแห่งความฝันดีหรือฝันร้าย ก็ฝันดีหน่อยเดียวที่เหลือล่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเขบอกเหมือนอย่างว่าคนที่ฝันว่าไปเที่ยวสวนที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเอาไม่มีแล้วเหมืนกัในโลกของรูปสวยๆเป็นต้นก็ฉันนั้นเนี่ยนะรถอร่อยๆเป็นต้นก็เหมือนกับความฝันกามทั้งหลายเหมือนกับแม้กัอะไรเหมือนคบเพลิงเหมือนลุ่มฐานเพลิงเหมือนหัวงูเห่าเป็นต้นเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปถึงโทษของกาม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอัศาธาจริงๆพระองค์ก็ยอมรับว่าเกามนี่มันให้ความสุขให้โสมนัสได้จริงก็ไม่ปฏิเสธแล้วพระองค์บางสูวนก็บอกว่าถ้ากามมาคุณคือรูปเสียงเปลี่ยนรสโภภาพธะพรทั้งหลายไม่ให้ความสุขไม่ให้โสมนัสไม่มีใครติดหรอกอะแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขได้ให้ความโสมนัสได้สัตว์ทั้งหลายจึงติดยิ่งนักเช่นติดบุรีเนี่ยนะถ้าบุรีไม่ให้ความสุขบ้างโสมนัสบ้างจะมีคนติดไหม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 โดยมากนี่มาดูโทษของเขาบ้างไอ้คําว่าสุขโสมนัสเกิดจากอะไรเกิดจากการหวังเกิดจากการสแสวงหนาะเกิดจากการรักษาเกิดจากการบริโภคใช้สอยในเรื่องของรูปเสียงกลื่นรสโพธิภพทั้งหลายนี่เรียกว่าอัศทะนะทีนี้อาทีนะกามเหล่านี้จะได้มาได้มาอย่างไรรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆเนี่ยนะได้มาอย่างไรก็เลยกล่าวว่า ดูก่อนพิสูุน์ทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายอาทีนวะเนี่ยนะโทษทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะโทษในปัจจุบันวันนี้พรุ่งนี้ปืนนี้ปี น, ปนี้ปีหน้าชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้และก็หลายๆชาติข้างหน้าโทษของมันคืออะไรบ้างเอาว่าปัจจุบันนี้ก่อนเช่นว่ากุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยัน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 การนับบ้างการการนับคะแนนบ้างการคำนวณการนับคำนวณการไช้ตลอดจนถึงการค้าขายการทำ เ, เลี้ยงโคนี่คืออะไรนะปะศุสัตว์ใช่ไหมเรียกว่าการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรเนี่ยนะหรืออาจจะเป็นอาชีพยิงธนูก็คืออาชีพทหารเป็นต้นสายทหารสายตำรวจเนี่ยนะหรือเป็นราชบุรุษเนี่ยนะเป็นข้ารา ช, ชการทั้งหลายหรือประกอบด้วยศิลปะอย่างใดยอย่างหนึ่งก็แปลว่าอาชีพทั้งหมดในโลกนี้อ๋ อาชีพที่สบายสบายมีกี่อาชีพในโลกเนี้่ยสบายจริงหรือว่าคิดว่าสบายให้นับซนั่งนับสตังอย่างเดียวเลยเอาไหมไม่ให้ทําอย่างอื่นเลยนะชีวิตคุณเนี่ยทั้งชาติคุณนั่งนับเงินอย่างเดียวแล้วกันเอาไหมเอาว่าชาตินี้คุณนั่งเฝ้าตู้ทองอย่างเดียวก็แล้วกันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นนะ่ะนะเอามาให้ทั้งหมดกร ะ, กระจกประทอง ซี่โคงที่ล้อมคุณเอาไว้ก็ทองให้นั่งเฝ้าทองอนะ่ะคือมันมีอะไรบางที่มันแบบอะไรนะมันน่าปรารถนาจริงๆเอาเข้าจริงเลยชอบจริงๆเลยนะยเอาไหมบอกมันจริงๆเข้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้น่าต้องการจริงอ่ะนะสรุปว่าประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งบางงั้นเถอะแต่ที่แน่ๆโดยมากเกือบทุกสาขาอาชีพต้องตรากตรําต่อความหนาว ตากตามต่อความร้อนเนี่ยนะหนาวไหมร้อนไหมเวลาหรืองุ่นงาน่านหมายคำว่าแม่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยถูกยุงกัดอ่ะนะเหลือบกัดยุงกัดลมก็แรงแดดก็แรงหรือไม่คําว่าไอ้เหลือบยุงลมแดดปัญหากับผู้ร่วมงานเป็นต้นนะปัญหารวมทั้งผู้ร่วมงานนี่ก็เรียกว่าอะไรนะเหลือบยุงลมแดดเหมือนกันนะั้ม ภายในคนใกล้ๆมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้อะไรให้พู้นี้ก็เป็นเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นเหมือนกันหรือบางทีก็ต้องสัมผัสกับสาัาบเลื้อยคลานบ้างในที่สุดทำจนตายคาตรงนั้นที่โยมเข้ามาเล่านะขายของจนตายคาที่ขายของอะไรนะมันก็มีนะก็น่าเห็นใจจริงนะอู้ชร า, าแล้วแปดเก้าสิบแล้วก็ยังขายของงอกเงินนะนะสั่ น, นโงๆกก็แหมกว่าจะหยิบออกมาได้แล้วก็หยิบเอามายืนให้ลูกคาว์เรามานั่งนับสตางค์งอกงอกโอ้ยนะ อาสงสารจริงแต่ถ้าไม่ให้ทําอย่างนั้นบ้างก็ตายเร็วเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะไม่มีเครื่องอยู่อะไรเลยเนี่ยนะเพราะบางทีบางทีเคยนั่งนะเห็นนะคนชาราเฝ้าร้านเนี่ยนะถ้าแหมกว่าจะหาอะไรเจอมาชิ้นหนึ่งเนี่ยนะเวลาเพื่อของขายของนนะนเนี่ยนะทําจนเกษียณไม่เป็นเลยนะมีใครสําเร็จจริงบ้างเนอะ่ย <c oughs> นี่ก็เหมือนกันอนะก็เรียกว่า พระพุทธเจ้าตรัสย่างไงบอกว่าทําจนตายอยู่ตรงนั้นบางคนก็ตายเพราะความหิวตายก็มีขายดีจนเป็นโรคกระเพาะ อ, อย่างไงนะเพราะไม่ได้กินอยังไงนะเป็นต้นหรือไม่ขายไม่ได้จนเครียดจนเป็นโรคกระเพาะหิวกระหายแล้วว่าตายจนเป็นโรคเนี่ยระบบทางเดิอนอาหารเรียกว่าต้องตายสรุปว่าตายอยู่ตั้นั่ะกายคาตรงนั้นแหละ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 คือคือวันหนึ่งเนี่ยเขานับตัวเลขได้เลยว่ากําไรมันมากขนาดไหนเพรั่นเขาปิดหนึ่งวันปั๊บเนี่ยมันกําไรเขาลดขนาดไหนเพราะคำว่ า, าปิดหนึ่งวันนี่เครียดมากเลยนะทุกข์มากไปไหนก็ไม่มีความสุขคิดถึงไอ้ตัวเลขตัวนั้นที่มันหายไปจริงก็แทบไม่ได้ใช้หรอกขาให้คนอื่นใช้แค่นั้นแนหะเพีย ง, งว่ามีความสุขกับการนับตัวเลขนะกิน ก, ก็กินนิดเดียวนอนก็นอนนิดเดียวทําแทบตายเนี่ยนะไม่ใช่แทบตายแต่ทาจนตายอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่ากินก็นิดเดียวใช้ก็นิดเดียวเนี่ยเขากวดน้าให้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ